ที่หลวงพ่อคูณมารับภาพนะเมื่อวานนะท่านก็เข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งนะเข้าออกแล้วก็แต่ละครั้งก็อาการก็สุดหนักไปเรื่อยๆครั้งล่าสุดนะครั้งสุดท้ายนี้ท่านก็หัวใจหยุดเต้นตั้งแต่อยู่ที่วัดละวัดบ้านไรมาถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มนะหมอก็ให้สัมภาว่าปั๊มหัวใจประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนึกถึงคนแก่นะ โดนปั๊มหัวใจชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหมอว่าเนี่ยปอดปอดท่านแตกนะจากการปั๊มลมก็เลยเข้าไปในปอดก็ทำให้อ่ไม่สามารถจะหายใจได้อันนี้ก็ก็น่าคิดนะว่ า, าการที่ไปยื้อชีวิตท่านไว้แบบนั้นเนี่ยนะมันจะเหมาะหรือเปล่าเพราะหลวงพ่อคุณท่านก็ชลามาแล้วอายุ9กาสิบสองนะ ก็เรียกว่าสังขารไม่อํานวยแล้วแต่ว่าจากที่เล่ามาก็มีความพยายามที่จะยื้อชีวิตเอาไว้นะปั้มหัวใจหนึ่งชั่วโมงขนาดคนหนุ่มคนสาวนี่ต้นปั้มหัวใจชั่วโมงนึงนี่ถือแม่รอดได้นี่ก็บางทีซี่โครงอาจจะหักก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ก็ดีที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านไม่ลงเอยแบบนั้นนะ อันนี้เพราะว่าท่านได้เขียนเอาไว้นะเป็นคําสั่งเสียไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านนะเริ่มป่วยนะว่าว่าท่านนะไม่ถ้าหากว่าอาการท่านหนักนี่ท่านจะไม่ให้ทำสามอย่างนะคือการปั๊มหัวใจนะถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นก็ไม่ต้องปั๊มแล้วก็การใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วหรือว่าถ้าหากจะมีการผ่าตัดใหญ่นะเพื่อจะยวยช่วยชีวิตนะแล้วเป็นแค่การยื้อชีวิตท่านก็ไม่เอานะก็สั่งเสียไว้ตั้งแต่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะดีนะเดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็กลัวนะว่าถ้าเกิด พอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยจะมีการยื้อชีวิตเอาไว้แล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานเีนี้ก็มีการสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่าถ้าอยู่ในระยะสุดท้ายคือไม่หายแน่แล้วก็อาการก็แย่ลงนะมีแต่จะตายอย่างเดียวนะก็ไม่ต้องยือ้อไม่ว่าจะเป็นการปั้มหัวใจไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนะวิธีนี้เนี่ยมัน มันสบายกับหมอด้วยนะหมอเมื่อรู้ก็ก็ให้เป็นไปตามเจตนาลมของคนไข้ส่วนญาติก็ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่าจะให้ยืหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าตัวบอกแล้วว่าไม่ต้องยืนะถ้าฉันตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ทําตามคําสั่งเสียอันนี้ไม่ว่าเป็นผ้าหรือเป็นโยมนะก็ควรจะคิดเรื่องนี้เอาไว้นะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วนะจะสั่งเสียด้วยวาจา หรือว่าจะเขียนเอาไว้ก็ดีทั้งนั้นนะฝรั่งบางคนนี่เขาถึงกับสักเอาไว้เลยนะสักเอาไว้ที่หน้าอกนะว่าอย่าปั๊มหัวใจสลักว่าสักว่า DNA do not r e s u s t ก็คือว่าถ้าฉันหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายนี่ไม่ต้องปั๊มนะพอปั๊มแล้วนี่มันทรมานตัวเองด้วยแล้วก็ลูกหลานด้วยมีบางลายนี่หมดไป30ล้านแล้วนะ เพราะว่าปั๊มขึ้นมาแล้วเป็นผักนะคนไข้หัวใจหยุดเต้นแต่ว่ามันแค่เต้นที่หัวใจนะแต่ว่าสมองมอนก็ว่าไม่ทำงานแล้วเรียกว่าสมองตายหรือว่าเป็นผักนะหมดไปสามสิบล้านแล้วในการประคับประคองหรือบางทีก็ไม่เป็นผักนะแต่ว่ายื้อเอาไว้ด้วยเครื่องคราวต่างๆถ้าเป็นผักอาจจะไม่ค่อยยือ้ออาจจะเป็นต้องสิ้นเปลืองเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้เครื่องคลาว พอหายใจเองไดนะ้แต่ถ้าเกิดหายใจไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะว่าใช้เวลาใช้เงินนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นเป็นปีๆนะห้าหกปี10ปีก็มนะีกว่าจะตายก็หมดไปหลายสิบล้านหนะลวงพ่อคุณท่านมีเขียพนพนธีกรรมมาไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าถ้ามารณภาพแล้วก็ท่านก็อุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือว่า ไปให้หมอเนี่ยได้ศึกษานะเป็นเหมือนกับอาจารย์นะมอบร่างให้หมอนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยบำเพ็ญกุศลนะถ้าจะบําเพ็ญกุศลก็ทําที่โรงพยาบาลนั่นแหละตายที่ไหนโรงพยาบาลไหนก็ทําที่นั่น24ชั่วโมงแล้วก็อุทิศมอบศพให้กับโรงพยาบาลหมาวิทยาลัยขอนแก่นนะ เอาไปใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ท่านก็คิดดีมกันนะศพนี่ไปบําเพ็ญกุศลนะที่โรงพยาบาลตายที่ไหนก็ทําบุญบําเพ็ญกุศลกันที่นั่นแค่หนึ่งวันยีบสี่ชั่วโมงแต่ว่าลูกศิษย์นี่หลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยนะอยากจะนําร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่แต่เจ็ดวันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะตอนที่อ่านข่าวยังไม่ตกลงกันว่าว่าจะ บํมเพ็ญกุศลที่ไหนนะถ้าเป็นที่โรงพยาบาลก็ง่ายดีนะเพราะว่ า, าแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าไปบัมเพ็ญกุศลที่ที่วัดบ้านไร่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจ็ดวันหรือเปล่านะบางแห่งนี้ก็หลายปีแล้วนะก็ยังไม่ปรงศพเลยก็มีสวดศพกันทุกวันนะก็ไม่รู้ว่าสิ้นเปลืองเท่าไหร่หรือว่ามีไรายได้เข้าวัดเท่าไหร่นี่ก็ หลายแห่งนะก็พยายามที่จะเก็บศพนะของพระผู้ใหญ่เอาไว้เพราะว่าอาจจะเพราะความเคารพหรือว่าเพราะเป็นช่องทางที่จะมีเงินรายได้เข้าวัดก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลวงพ่อคูลท่านนะั้ทำง่ายๆการที่พระระดับหลว ง, นะงพ่อคูลนะเขียนพิธีกรรมงี้เนี่ยมันทำให้ลดพิธีกรรมไปได้เยอะแล้วก็ทำให้งานศพนะเป็นเป็นงานที่ไม่ซึ้งเปลืองมาก เดีย๋ยวนี้พระผู้ใหญ่เนี่ยนะเวลามรณะภาพนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเรื่องการจัดงานศพเรื่องอะไรต่ออะไรมีพิธีกรรมมากมายนะก็สิ้นเปลืองเงินไม่ใช่น้อยหลวงพ่อท่านก็ทําทเป็นแบบอย่างเขียนเอาไว้ในพินัยกรรมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหานี่ยจะทำตามหรือเปล่าเพราะแค่ท่านสั่งว่าให้ตั้งศพไว้ที่โรงพยาบาล24ชั่วโมงเนี่ย ลูกศิษย์ก็หลายคนก็ยังไม่เห็นด้วยเนะีอันนี้ก็ถือว่าท่านไม่ได้เอายุศธาบรรดาศักดิ์เป็นใหญ่นะถือว่าท่านจะเป็นพระราชคณะชั้นเทพแล้วก็มีคนรู้จักมากมายท่านอาจารพุทธทาสท่านก็เคยความมีความคิดนะว่าเอาร่างของท่านเนี่ยฝังไว้ในถังซีเมนต์เลยนะไม่ต้องเผาอ่ะเอาไปไว้ในถังซีเมนต์เลยแต่ว่าตอนหลังลูกศิษย์ลูกหาทวงก็เลยเปลี่ยนนะ ไห้มาเป็นการเผาแต่ก็ไม่มีการบอกล่วงหน้านะว่าจะเผาเมื่อไหร่บอกล่วงหน้าแค่วันสองวันประกาศข่าวทางวิทยุรู้ล่วงหน้าคนรู้ล่วงหน้าแค่หนึ่งวันนะอันนี้ก็ก็เป็นการลดความยุ่งยากของทางวัดนะเพราะว่าถ้ารู้ล่วงหน้ากันเป็นอาทิตย์นี่คนก็คงจะมามืดซ้ามัวดินแล้วคงจะวุ่นวายมากนะนะก็คนที่มาร่วม ง, งานของท่านเจุ้ทธาก็ ก็เยอะนะถึงแม้ว่าประกาศลงหน้าเพียงแค่วันเดียวแต่คนก็มากันเยอะก็ทำมันแบบง่ายๆแบบโบราณโบราณ น, นะ <c oughs> เผากลางแจ้งนะอันนี้ก็เป็นวิธีทําศพนะที่นะไม่สิ้นเปลือแล้วก็เป็นแบบอย่างนะให้กับทั้งพระทั้งโยมได้นะคนที่มีอายุมากนี่ก็ต้องคิดแล้วนะเรื่องพวกนี้นะหรือถึงไม่มียังไม่แก่นี่ก็ต้องคิดเอาไว้นะจะไปจะไปให้ลูกหลานเขา เป็นภาล่าคนนี้ก็อาจจะลำบากได้หรืออาจจะวุ่นวายทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องงานศพนี่แหล ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร